วันนี้เป็นวัน <c oughs> มาซาเป็นน้อมีเป็นวันมหามงคเลเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาวันมาพะวิสาขะเป็นวันส้องคัญในทางพระพุทธศาสนาผู้ศึก <c> ษ <oughs> าตามตำราตั้งหลังจะทราบวาเป็นวันสําคัญอย่างไรจะพูดเป็นตัอ่านตำร า, า ต, ตั้งหล เจ้าว่าเป็นฟันสำคัญคือวันนี้พระพุทเจ้าแต่ะรู้แต่นม่นำคำสอนยึกสุสาวะรอนใสเต็มใจปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าโดยต่สรู้จนพระอารหันต์อรหารกัน มากมากแต่วันนี้คือวันมาค้าเป็นนักมีค้าที่สุเหล่านั้นต่างข่านต่า ง, างองค์โตออกไปอยู่ในที่ต่างๆกันเพื่อประกาศศาสนาหรือเพื่อจะไปคือคามสบายา ท, าทั้งขั้นแต่องค์นั้นเมตตาอะไรเดินบันนานใจของที่สุอรหันเหล่านั้น มาประชุมกันในเรือวันกรังทษกาวิย <c oughs> าปาสถานคือในเมืองราชคฤห์เป็นรัฐแรกที่เกิดขึ้นในพุนทธศาสนาเรือวันเดมต้นก็เป็นเสือในไขยของพระเจ้าทินที่สารพอพระเจ้าสเสด็จมาโตกืองราชคฤห์ ม่มีผีพักพาาใสยพระเจ้าพิมพิสารกมกเสวยเม้ไผ่อุทยานเม้ไผ่ถวายให้เป็นดักพระพุทธองค์กนนะพักผ่อนไทะอริยบถ อ, อยนั้นโปรดสักพระองมวันนี้พระเจ้าพระสงส์งเป็นสาวกหนึ่งพันสอง้ยห้าสิบองค์โดยเมืองไทยไปนานเฉืิมเชิญพากัน มาสื่อดัดเดเรนสื่อว่าคือจเจ้าประทับอยู่พระองค์แต่เรงทรงทำยุต่อุเบกศทำอุยบกศเบ่งต้นจนวันนี้จากนั้นมาที่จะทพยุต่อุโบกศอีกดยนี่มีในศาสนานี้ ที่ว่าเป็นมีสิทธิอุโบสถคืออุโบสถของสบ ร, ริสุทธิ์มมีพระเสกขาบุคคลเบืยบบนมีแต่พระอาหารบุร เ, เลี้ยงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์และบวบเอหิภิกขุคือพระพุท ธ, ธเจ้าบวเองดังนั้นไมมีพ้าอนาคาสจิตชาคาหรืเอเซรามหรือจีเทชนเบียบนในอุโบสถของท่านอือ ทำอีกเยอสุดคือแสดงปาจิโมะแก่ี่สุสูงแล้วขอทรงบังดัดว่าตอนนี้ไปภายในหน่งเดือนจะต้องทำกันหามีพระอยูด่ด้วยกัน5องค์ก็จะต้อง4องค์ขึ้นไปให้เร็งอีกเยอะสุดคือสวดปาปาจิโมะแต่าสามองค์สดดวยสดยติ หลงองบอกวิสุสธ์องเดียวอธิษฐานหนึ่งเป็นทายินในตัณหาะู้ศรัทเบียดในศาสนาอาจจะทราบหากที่ตัองใดสาวซูนในทางอุเบกษ์ที่บันตามที่บัญญัติเอาไว้พระพุทธองค์ก็จับโทษคือตับอบัตบาปแก่ที่สุเหล่านั้นเรื่องเหล่านี้ก็มัเป็นเรื่องสาคัญ ถ้าเป็นเรื่องของที่สองเรื่องสำคัญที่พระพุทธองค์เป็นแสดงคือโอฬารปฏิโมกในวันนี้ย่อทำคำสั่งสองพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะโยีน์เยือกเย็นเั็วสั้นๆให้รู้จักศึกษากันคำสองถึงจะมากในขนาดไหน ก็เหมือนกันกับน้ำทะเลมีรถเชนอย่างเดียวตั้งหมดจะอยู่คิดใดทางใดน้ำทะเลจะต้องมีรถเชนคำแสงขอวพระเจ้าคือเรื่องราบดับขันกันแล้วในอดีตหรือคำแสงของพระเจ้าองปัจจุบันคือพวกเราท่านนับถือกันอยู่หรืออนาคตจปมนตัดสินอีกก็เป็นคำอย่างเดียวกัน คำสอนของข่านสูงเรานั้นไม่เด้ดสอนตัอื่นใสสอนตายสอนใจของตัวเราสอนเวลาเชื่อบำเพ็ญดีทำจิตของตนใองใสสื่อตามภาษาบาลีแปลออกมาเป็นไทยมีเชิี้ยนนี้คำสอนจะมาก มาหลายหลืองขนาดไหมก็ย่นลงมาให้สามขอนี้เกิดเป็นคันสองจรเจาะจงในเฮละเชื่อเันเพนดีเพราะเชื่อเป็ น, ปนตัวเหยีดเป็นไหลสำคัญเหมือนกันกับโรคเนี่มีอยู่ในบุคคลคนใดโรคนั้นเราในรันะกษาในหาอะไรมาเยียวยาก็จะเป็น อันตรายต่อร่างกายส่วนใหญ่ถัดปล่ยเอาไว้ทาหากเราชำละโรกภยยัยหลนั้นหายไปร่างกายของพวกเราท่าก็สะดวกสบายจะยืนจะเดินจะเหวีงไปที่ไหนจะนั่งจะนอนก็สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะโรกภัยภายในตายเหยียดหายไปแังใบความชั่ว คือี่เลสที่พระพุทธเจ้าบ่งบอกให้พวกเราเผื่อไปพากันรักษาพากันชำระก า, า, จ า, จายวายใจทั้งตนความเชื่อนั้นถ้า ม, มีอยู่ในใบุคคลใดก็เป็นประโยชน์กันไรยทำจิดทำใจให้ว่ายิ่นคุณเมต่างๆนอกจากนั้นก็ทำทั้งคนให้เดือดร้อนวุ่นวายไปตามความเชื่อ เป็นพิษเป็นภยัยสิ่งสำคัญอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงนแม่สอนพว ก, กเราให้ชำระสาสางความเชื่อที่จะเกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากตายจากาจ า, าจากใจของบุคคลแต่บุคคลคนนั้นเขาเองก็ไม่ชอบเรื่องความเชื่อแต่เขาก็ไมีปติในมีปัญญาในที่นี้ที่จะมา ทำไปเดี๋ยวจำเหนื่อยรู้รือทำไปเดยวจรู้ถ้า่การความเชื่อนั้นจิงแใจมาโดยวใดมนุษย์ทั่วไปมีความเชื่อประจายตายใจใจงตัวเลื่มานอย่างนั้นท่าเนผู้ยอดสุดด้านจิตใจจริงพเานั้นมีงที่จะมา ยอมตายตายเกิดอีกอย่างพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าพวกเหล่ า, านั้นท่านหมดควาชั่วคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ให้ก็เหมือนกันกันยาที่เป็นประโยชน์กาสําหรับคนที่เป็นโรคไข้ไข้ไหนาวเท่านั้นถ้าหากคนมีโรคไขอะไรยาก็ในเป็นเรื่องสำคัญที่จะหามาไว้ ขันสองต้องเวทายาท่านก็นเหมือนกันเรื่อเราท่านยังมีกิเลสปัญหามานาทิฏฐิยังมีชั่วปิดตัว่องตัวอยู่จึง้ำคาที่สุดที่จะตัวตาที่จะมาดูความชั่วในตัวของเราจึ่งใด้ที่ชั่วที่เสีย อ, อย่าไปแส่หังรักษาเอาไว้มันเป็นภัยแก่ตัวเองและคนอืน่นความชั่ว ไม่ว่ามนมุษย์เรือสัตว์เขาก็มีต่างการปรารถน า, ถาหากเราในที่ใดมาสาศูนย์ทำลงไปใจของเรเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความเชื่อที่ตัวทำลงไปแผลดกกายใจทัง้งตนคนท่านเชื่อโดยเป็นใดญ่ในที่นี้ที่ใดมาว่าสิ่นั้นนั้นจะเชื่อจะเสียะจะนผล เลือดร้อนยืนดายไม่ให้แก่ตัวจึงยินดีทำความชั่วเพราะเขาหนรู้ผลของมันน่าจะเป็นคิดเป็นใจแกตายแสจใจทังตนถ้าเขาทราบเรื่องความชั่วจึงจังแล้วเขาไม่ไปแตะต้องเหมือ น, นกันกับคนทราบบ อ, อกไฟมันร้อนมันมีใครสิจะไปเหยียบไปจับเพราะเหตุใดเพราะถ้าไปเหยียบไปจับเข้ามันจะต้องไหมต้องเผา ดเดือดร้นเดือดร้อนเป็นทุกข์ชั้นใดมนุษย์ทื่วไปที่ทาชั่วเดือดกายตัวดีรายายตัวดีดืใจตัวดีก็เพราะในรทราบผลของความชั่วจะแผดเทาเตัวถ้าหาทราบเรื่องความชั่วแบบเป็นผลเดร้อนวุ่นวายให้เสียายแสียใจทังตนคนนั้นจะไม่าที่จะทาความชั่วต่อไปความชั่ว คือความไม่มีความเชั่อคือความทุกลียดคนเราที่มีเกลียดหนาปัญญายากไม่ามารที่จะทิ้งทุแข์จมาไข่เทียนี่เที่ยงเช้าก่อนไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเมื่อทาไปแล้วโทษใครที่ตัวทาไปจึงแผดเขาตายใจของตัวเอง แต่จคนอื่นเอามาให้เปนเรื่องตัวของตัวทาให้ตัวเองเช่นคนรักคนขโมยยี่ป่นต่างๆไม่ใช่ว่าความเชืเ่อเรืนั้นคนอื่นจะไปรับแทนเขได้เป็นตัวของเขาเองจะต้องได้รับผลที่เขาตัปสินคุ้มขัง ไม่ใช่ว่าเขาอยากจัดจัดคุมคุมขังคนดีดีอย่งพวกเรามีความบริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่ผิดกฎหมายดำเมืองอะไรจะเข้าไปแต่ละท้างกตละหนึ่งต้องขออนุญาตผ่านจระตู้จะเข้าไปเยี่ยมเพืเยี่ยมตารางเขาจะไปแไปอย่างสะดวกสบายเขาเข้าปัากกันเอาไว้แต่คนที่มี่ชั่วที่เตี้ยทำไม้ ไม่อย่างนั้นประตูนรกประตูตารางเปกอ้ารับอยู่สมันเสมอไปเพราะความเชื่อของเขาสืบทําไว้สามารถที่จะให้เจ้าหนาที่จัดคุมคุมตัวไปถึงเขาไม่เชื่ออล่านี้ตารางนั้นมันมีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรเพราะไม่เคยไปเห็นไปติดไปเกี่ยวข้อง แต่เนี่ยเขาทำเชื่ออย่างใจเขาก็มีโอกาสมีเวลาในวัาหนึ่งไปวันหนึ่งจะต้องเห็นความทุกข์ยากลำบากในทางหลับทางานทางอยู่าทางกินทุกข์ยากมันลำบากในมีอิสระในสะดวกสบายเหมนคนที่ไม่มีมทศกขีทไทยจะไปที่ไห น, นจะอยู่ที่ไห น, นมีอิสระ ในมีใครมาบังคับบังชาอยากกินอะไรอยากเที่ยวที่ไหนไปได้นี่คือคนในมีพทษในมีภยัยในมีความชั่วในตัวของตัวยอนไปได้เป็นรื่สบายแต่คนที่ทําชั่วไม่อยากรับโทษของชั่วเป็นไปไม่ได้เชื่อตีเต้าทำไว้จะต้อง นำเตาเข้าเต๋เองไปใชจาที่ที่จะมาจับมาซึมกบเพราะเราทำเชื่อทำเสียทาสิ่งผิดเปสนหนายทาสิ่งที่ททชาวโลกเพื่อไปในยนดีเ จ, จ้านาที่จึงจับจึงคนขังเข้าไปมความเชื่อให้ผลในปัจจุบันทาตาเราก็มองเห็นคนที่ทำเชื่อต่าง ไดรับทุกแต่รับความเดือดร้อนหาเือจะนอนหามอตัวนี้ยหบ้านจะอยู่จะอาศัยไม่ได้จะต้องไปรนกันอยู่ในพกชือดกันคนเชืออะไรนี้ถึงเม้ปราถนาอยากจะอยู่ถ้าเผื่อเขายังอยู่เขาก็ยังไม่ปลอยตัวจะต้องเวยความเชื่อเลื่อยไปเป็นคนเผืเมื่อใด จึงจะมาเป็นอิสระมีท่านเชื่อในปัจจุบันทางตาเราเห็นกันความเชื่อในอนาคตก็ทํางานเดียวกันพระพุทธเจ้าจะมีปัญญาตายายสาแม่ทราบเรื่องของกรรมที่มนุษย์หรืรอสัตว์ถั่วไปทํามีเชื่ออย่างไรจะให้ผลอย่างไรเพราะคือตัวเองสราบชัดในบอดเมืเม่อถึงศกเราจึ่งทำไปแล้ว ไม่ได้คิดคำนึงคำนวณพอเขา้ามาจับตัวเขา้ตเขาตัวเราไม่เด้ทําชั่วทําเสียอะไรโดยส่วนใดเข้าตัวมนุษย์ทั่วไปในเวลาใครที่มีเกล็ดเป็นอย่างนั้นถึงเขาจะจับได้คาเขาใครหนัมีหลักฐานมั่นคงจนผูกมัดเข้าตารางจะถามดูทําไมคุณถึงมาติตารางอย่างนี้เขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ไั้งที่เตั๋ยวทำ มยอมรับสิ่งที่ตทํทำแต่ตัวทำอย่างนั้นจึงเลยมารับเทษเพิกอย่างนี้มันไม่เคยยอมรับให้ใจของม น, นุษยู้ชมมนเป็นแบบนั้นโดยทั่วไปถึงไปโดนหลักโดนตอเหยียบเหยยเหยียบน้ำเท่ า, าก็เป็นโทษหลักโทษตอในโทษตัวเองว่นไงคิดคไม่พิจารานี่ยดูแลเวลาเถอะ หยัตัวอย่างไปที่ไหนขาดกะตุ้นในจังหวะรักษาตายเคร่งตัวจึงไปเดินอย่างนั้นอย่างนี้นไม่ใครเลยมีใครที่จะมาถคบตัวเคร่งตัวนี่จะโทษเรื่องอื่นเลยไปความเชื่อแบบนี้แหละที่มันประจํากายประจําใจของพวกเรามาไม่ละไม่เล้นในที่นี้ที่จะมาให้เห็นว่ามันเป็นเวรเป็นไทยมันนําความเสียหายอย่างไรมันะฮะ แต่ทำทำสอนสองท่องพูดใจจ่ายนั้นสอนเข้ามาภายในเป็นโอปนยุติการทคือน้องเข้ามาพิจรารณาภายในใครก็ตามถ้าพิจารณาตัวเองเทียบกับคนอื่นจะไปด่าเขาไป ต, ตีเขาไปขโวยเขาไปทําทำเชื่อเสียหายต่างๆหากเขามาทำกับเราอย่างนั้นเราเต็มใจดีใจหรือไม่หาก เกลียดจิตขาใจเขาใจกับจิตเราใจเราเป็นสาาม่ที่จะไ้ทากับเขาได้เพราะเหตุใดเขาเองรักชีวิตของเขารก่างกายของเขารักสมบัติของเขาเน้นกันกับเราแต่รักษาของของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นเราฝ่าถึงนไปทาเข้าเขาจะเสียใจจะเป็นใครเป็นเดื่ เขาเห็นเข้าเขาอาจจะถูกอาฆาตพยาบาทอาจจะฆ่าจะตีหรือจับตุ้มตุ้มขังตัวของเราพอเราก็ในชอบเขาก็ในชอบเหมือนกันก็จิดไปอันเดียวกันเหมือนกันถ้าหากคิดได้อย่างนั้นการทำเชื่อเชื่อชั่วมันก็ลังงับดับไปนี่คนทั่วไปเลยคิดจะาถึงตายถึงใจถึง การกระทำของตัวอย่างนั้นเ้าเตียาสมันเสม้ไปเคลื่อนขี่เสียกสบายได้ง่ายเลยเยอยกำลังมากมายเดินทางวัดคิดไปทางนั้นไม่เคาใจว่าจำถือเตียวทำไปจะเหุผลเหนือไรเพราะสินงทั่วไปในโลกมันจะต่องปกปิดไม่ได้ถ้าเพื่อใจใจต้องหความลับในมีอโลก ถึงคนเองเห็นเคื่องเองกว่าเห็นที่ไปทำเขาดางมาเป็นเป็นบักรของเราทายาทเป็นเสื่อมประดับภายนอกก็ไม่สามารถที่จะนาออกเอียดแฉกได้ถ้าทานันเข้าไปก็ละอายเวสเตียก็จะจำได้จับตัวถ่าเป็นอแหาการกินก็กินในที่มืด คนเชื่อที่ทำเชื่อชอบในที่มืดที่สว่างสวัยอย่างเชื่อเราท่านนี่ไม่เอาตามเพราะคนใจเห็นแล่กล้าทํารือถึงก้าทาเขาก็เบืออยู่เพราะมันสว่างเขาจะจำแนบมีคนเชื่อเชื่อไปเป็นอย่างนั้น ความเชื่วเกิดขึ้นจากตายจากใจทของเราทุกอย่างเราต้องยอมล่าสายแสงเกิดขึ้นจากความเลกต้นเหตุของความชั่วอยากได้ของเขาโดยในค่าคำนึงคำนวณว่าจะเอาแบบไหนจะทำอย่างไรจิ่งจะได้ของเขาไหมเมื่อใคิดจะซื้อจะหาจะรับแจ้งแลกเปลี่ยน นี่ต่อยากไล่อย่ากเสียดสบายเสีรักเอาขาโมยเอาขี้ส่วนเอานี่คือความชั่วของใจคนทั่วไปน่าอยากจะมีแต่ที่มันมีมากห้ามตั้งตัวเองไม่ได้ก็ได้ทาําไปตามความอยากที่ผักดันภายในเมื่อทําไปก็เลยรับทุกข์พราะว่าใจเจ้าจึงให้คําลัสาสาังให้คิดอ่านเต้นจิตเขาติดเรา จะทําชั่ออะไรถ้าคิดได้ห้ามได้งมงกลลังับได้ไม่กล้าที่จะทําเชื่อเสี้ยต่างๆแต่เราไม่ทําทำเชั่อก็ไม่เหตุผลในว่าปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าพอเรานม่เด็ดทำเอาไว้มันจะให้ผลแกเราอย่างไรเหมือนคนที่ไม่เลยทําไรท่ทําสวนแต่อยากจะได้ผล ไในไรในสื่อมท่องตนมันก็ไม่ได้ผลอะไรสที่มันเกิดขึ้นให้ไม่ใช่สิที่เป็นสาระประโยชน์เป็นของที่ฮะคุณค่าราคานี้บ้างนี่มันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้ปลูกเอาไว้มีได้สร้างเอาไว้ถ้าเราสร้างเอาไว้เราต้องการทัว่วกานงานต้องการอะไรเกิดพั น, นสิ่งนั้นไปสู่สว่าง เกิดพันอันนั้นแหละจะเกิดขึ้นให้เห็นใจป่าถนาแล้วก็ไม่มีใครที่จะถีอว่าการ ท, ที่เราปลูกลงไปสร้างลงไปจะไม่เป็นสมบัติของตัวใครสร้างลงไปทำลวไปจะถือว่าเป็นสมบัติของตัวไร่วสวนที่ยินที่เราไปปลูกสร้างเขาไม่จะถือว่าเป็นของของเขาเราไปเอามาได้สะดวกสบาง มีการทำความดีทางกายทางใจก็ททานองนเดียวกันเตยยามแต่ทำบำเพ็ญให้เิดให้เนเตเห็นเห้นเห็นหูละเชื่อทือเตยมีอยู่ประกอบคุณงามความดีให้มีขึ้นเราจะดีจะดีเศษก็เพราะอาศัยเราสร้างเอาทำเอาพระพุทธเจ้าหรือสาวกไม่ใช่ทน เกดมาแล้วหมดที่เหลือปัญหาหมดพุิกหมดไทยในตายในใจของท่านท่านมีเมือนกันกับรวกเราทั่วไปแต่อาศัยพระพุทธองค์งมีมาเนะแข็งกล้าจึงใดที่เป็นชั่วเสีอต่างๆพระองค์ที่นี้ที่จริมาเพื่อจังหนวะ จะห้ามกัน้นจิตใจไม่ให้ไปเกี่ยวข้องสังคมกับสิ่งนั้นยกตัวอย่างศีลจะมาที่ปัญญาเป็นหลักศึกษาเป็นหลักศาสนาศีลเหล่านี้ไม่จะมีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่กายที่ใจของเราอาศัยเจตนาทำขึ้นศีล ท, ทุกข้อ ก่ออาศัยเจตนาที่จะรักเห็นควรรักเห็นควรฆ่าเราไม่รักไม่ฆ่าเรารักษาจิตใจของเรากายของเราเห็นว่าเขาเหล่านั้นเขาก่อสงวนชีวิตของเขารักสมบัติของเขาน่องมีเจตนาลักเื่ออย่างนั้นจึงเกิดเป็นจิตจึนผิดจิตผิดใจ การเพียงทวามอยากได้มันมีคอยยังมีกิเลส อ, อยู่ก็ต่ตัวคนที่กิเลสเลือเล่อยไปนี่เป็นเรื่ อ, ขอ ง, งของโลกทำของโลกที่จะรักษากันถ้ท า, าทุกท่านรักษาเรื่องชั่วดยาบหยบอย่างนี้เอาไว้โลกเทั่วไปก็จะสุขจะสบายไปสถานที่ใดไม่มีภัยอันตรายเพราะทุกคนมีศีน เปลี่ อ, อกเขา อ, อกเาตัวเนื้อกันเป็นธรรมของโลกภาระขาดการส่งเงินรักษาต่างท่างต่างคนอยากได้อะไรก็พอเพื่อไปตามใจตัวชอบมีกำลังมากกว่าคนถึงคนที่มีกำลังน้อยถ้าเป็นแบบนั้นโลกอันนี้ก็เปลี่ยนปั่นเป็นยุบ ต้องยกทิ่ทุกยากลำบากหานะความสุขไม่มีพระพุทธเจ้าจึางสอนถือเป็นเรื่องสำคัญท่าทิจารณาถึงสมุทฐานจงีงจังศีลละเอียด ย, ยิ่งกว่าเรื่องกฎหมายพระพุทธเจ้ามีหูมีตาหยียาวจงิงจังบรรยัเอาไรไร 2,500 กว่าปีมาก็ามีอะไรที่จะคืบจะล้าสมัยยังทันสมัยไม่เอีย่ยมศาดสมัยปัจจุบันถึงจะเรียนมากมากฝ่ายโลกขนาดไหน ม, มาตั้งกฎหมายขึ้นเยอะก็ล่างกันอีกล่างกันแล้วล่างกันเล่า อ, อยู่นั้นเพราะไม่มีปัญญาตายานเหมือนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทเจ้าตั้งถิ่นข้อไหนขึ้น หากที่นี้ที่เจอมาแล้วไม่มีที่จะตนกเพราะทีปัญญาตายายไปที่มองเห็นได้ขนัดชัดเจนหากคนประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมีความสุขความสบายที่อยู่ในสถาทใ น, ในที่ใดไม่เป็นภัยอันตรายแก่ตัวของตัวและคนอื่น นี่คือคำสอนของพระเจ้าสอนมนุษยเราไม่สอนคนอื่นให้ละเชื่อความเพนดีดีนั้นมีหลายอย่างที่เราจะประกอบจะจะทำถ้าหากเราเราล่าเริ่มห่างเห็นไม่นำดีมาประดับตาวายใจใจของเราความดีก็ไมมีในตัวของเราเหมือนกัม ต, ตากายไม่มีอาหาร ถึงจะเป็นกายอยู่ได้ก็มีกําลังเยี่ยงแรงที่จะทําการงานต่อไปได้พอกายขาดอาหารความดีเล่าวคือธรรมะของพผู้เจ้าควรจำจำเหมือนกันที่พวกเราท่านจะนํามาที่นี่พิมาสอนใจของเราถ้าใครนำธรรมะมาสอนใจที่เจนาบ่อยๆคนนั้นจะเกลือเยี่ยงชั่ว บำเพ็ญเรื th. Th y, e yup ่องดีเทวีเขึ้นเหนือมีความดีก็เย็นทั้งตัวและคนอื่นที่ไปเกี่ยวข้องความดีพระกุศลใจจะให้สะสมแต่ทำบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นมให้มีขึ้นเพราะทุกคนมีสิทธิในใจศาสนาสอนแต่พิสูจน์สามมณีเท่านั้นศาสนา เป็นของกลางหากใครมีปัญญาสามารถประพฤตปฏิบัติตามธรรมะศาสนาของพระพุทธเจ้าคนนั้นจะมีความสุขความสบายความเยเ็นย็นภายในเพราะธรรมะเป็นเครื่องชำระมิเหลือปัญหาชำระชั่วเยลืความดีที่เราทาไปเหลือกายว า, ายใจ ก็ไม่มีใครที่จะมาแย่งชิงดินเราไปได้เหมือนสมบัติภายนอกถ้าหากผที่พิ จ, จาจรณาจีนจังผู้ที่จะออกจากโลกจะมิจากโลก <c oughs> ท่านพิจารณาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนถึงจบความงจีทของมันมันจะละได้อย่างโลภอย่างโกรธอย่างห ล, ง, ลตงต่างๆ เพราะความจึงมันมีความจึงไปใหนไานคนจริงที่พิจารณาปริงปฏิบัติจึงคนนั้นจะประสบพบเห็นละทอนจริดขอ้อต่างๆใา ง, างหายถาดไปจากจิตจากใจทองตนความโลภอยากได้ของเขาจนเกินขอบเขตมันผิดอกผิดใจของคนอื่น ความโลภที่เราได้มาสมน์รักษาว่าเป็นสมบัติของเรามันเป็นของหนักีรังยั่งยืนเราไม่จากมันมันก็จักจากเราความจริงมันเป็นอย่อย่างนั้นไม่มีใครที่จะหอบหามเอาไปได้สมบัติของโลกเป็นสมบัติของโลกอยู่อย่างนั้นตลอดมาหากว่าทุกคน ที่ถืกรรมสิทธิ์ในสิ่งของต่างๆตามกฎหมายเมื่อข้อตายใส่หอบขี้สิ่งเหล่านั้นไป่วนเราจะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะคนที่ตายใส่ก่อเราเกิดนับจำเนื้อในดักที่เขาว่าสาคัญมาหมายว่าเป็นของของเขาดินของเขานาของเขาเสียงของเขา